มีภาษาสามหลังคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าเลยคล้ายๆกับเจ้าชายสิทธัตถะก็เรียกว่าไม่รู้จักความทุกข์กายแต่ว่าอยู่ไปอยู่ไปก็เริ่มเบื่อนายความเบื่อนายนั้นเนี่ยมันมาถึงขีดสุดในคืนวันหนึ่ง ตตื่นขึ้นมากลางดึกก็เห็นหญิงรับใช้ที่ฟอนลำเล่นดนตรีหญิงเรานก็นอนละเกะลกกะเครื่องดนตรีก็พาดกายตามเนื้อตัวบ้างบางคนก็ น้ำลายไหลบางคนก็ภาผ่อนหลุดลุยอ่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ชวนให้เกิดความเพลิดเพลินใจเลยสำหรับยะศกุลบุตรเนี่ยสิ่งที่เห็นมันคล้ายๆกับป่าช้านะคนนอนไก่กองกันไม่มีสติสัมปฤุญ ด, ดี ในรูปลักษณะการต่างๆที่ไม่น่าดูไม่น่ามองก็เกิดความสลดนะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาพอาเบื่อหน่ายขึ้นมาทํางานก็เดินออกจากบ้านนะจากประสาทแล้วก็เดินแบบไม่มีชิดไม่มีทางนะเป็นความเบื่อเป็นความหนายสุดๆเดินไปเรื่อยๆจนทางเดินออกจากเมือง แล้วก็เดินตรงไปที่ป่าอิศปตนะมรุกขทยวันอาจจะเป็นเพราะว่าที่นั่นเป็นป่าที่ร่มรื่นมีกวางอาจจะเคยไปตอนเด็กๆดก็เดินไปก็บ่นไปที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหน อ, อนที่นี่ก็คื อ, อปราสาทหรือว่าที่พัก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 พระนศสีไปถึง 5, ป่าสิบปัตนัมก็เป็นสิบกิโลแล้วเดินนานขนาดนั้นก็ยังไม่หายเบื่อนะก็ยังบ่นอยู่นั่นแหละที่นี่วุ่นวายเนาที่นี่ขัดข้องหนอพระเจ้าก็ตอนนั้นเช้ามื้อก็เสด็จจงกรมอยู่เห็นยาส ก, กุลบุตรก็เลยพูดขึ้นมาว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้อง ยาสกุลระบุตรก็แปลกใจก็เข้าไปสนทนากับพระพุทธเจ้าร้องแสดงธรรมที่เรียกว่าอนุปปิกถาทีแรกก็พูดถึงว่าทานและศีลนั้นมันดีอย่างไรบ้างนำทำให้เกิดสุขอย่างไรพาไปสวรรค์ได้ทำให้เกิดความพรั่งพร้อมในวัตถุใน ทรัพสมบัติหรือว่าในความสุขสบายไม่ว่าในโลกมนุษย์หรือว่าบนสวรรค์แต่หลังจากนั้นก็ชี้เห็นว่าแม้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้คึงให้ความพึงพอใจกับเราแต่ก็ยังเจอไปได้วยโทษทรงชี้เห็นโทษของกามไม่ว่ากามหยาบหรือกามละเอียดนะก็เป็นทุกข์ทั้งนั้น ไม่จรังยั่งยืนแล้วก็เป็นที่พึ่งพาศสายไม่ได้แล้วทีนี้ก็ทรงเชื่อเห็นโทษของเห็นประโยชน์การออกจากการรมออกจากกามคือออกจากกามมาสุขซึ่งก็เป็นสิ่งที่ตรงกับความรู้สึกอารมณ์ของยสัสสกุลบุตรเพราะว่าได้คุ้นเคยได้เสพกับกามมาเต็มที่แล้วนะ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 ก็ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นก็คือเป็นอนัตตา น, นั่นเองแล้วไม่นานต่อมายัสกุลระบุตรก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอราหันต์เพราะว่าพ่อนี่มาตามนะมาตามแล้วก็เห็นรองเท้ามาตามที่ปลายศิษปัตต า, านและก็ไทยรวันก็เห็นรองเท้ายัสกรรบบุลระบุตรแต่ว่ามองไม่เห็นตัวนะทั้งที่อยูใ่ใกล้นั่นเอง พระเจ้าบอกให้นั่งตรงนี้แหละเดี๋ยวก็จะได้เห็นยายก็นั่งแล้วก็ได้ฟังธรรมก็เป็นธรรมะบทเดียวกันนะพูดถึงทานศีลสวรรค์สวรรค์รรก็คืออนิสงส์ของทานและศรรีลแล้วก็พูดถึงโทษของกามหรือว่าโทษของสวรรค์ด้วยก็ได้แล้วก็ส่วนทังอนิสงค์การออกจากทุกข์ออกจากการรม พูดซ้ำนะเหมือนกับที่ได้จัดสอนยะสะกุลบุตรก็ทำให้พ่อนี้ได้บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระสวสดาบันส่วนยะสะกุลบุตรซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆแต่พ่อมองไม่เห็นได้ฟังซ้ำก็บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอรหรอันต์นับเป็นคารวะคนแรกคารุหัดคนแรกที่บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอรหันต์โดยไม่ได้ออกบวชก่อน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 รวมนังการลุทยีอัมมาตนะซึ่งเป็นเป็นอัมมาตของพระเจ้าสุดทธนะที่มาตามพระ เ, เจ้าให้กับกลุมกระบิลพัทนะมีกรณีหนึ่งมีอีกลายหนึ่งที่ที่แปลกมึงก็เราตรงข้ามกับตรงข้ามกั บ, กบยัสกรบุตรเลยยัสกรบุตรนี่ร่ำรวยมาก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 พอมาบวชแล้วนะแม้ว่าจะได้กินอิ่มนอนอุ่นก็ตามแต่ปรากฏว่าอึดอัดกับข้อวินยนะัยจะทำตามใจก็ไม่ได้เพราะว่าพระนี่มีข้อกำหนดเนะที่ยววินั ย, นยเป็นศิขาบทหลายข้อจะเที่ยวจะเล่นนะจะพูดจะวิ่งเต้นอะไรก็ไม่สะดวก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 บวชศึกบวชศึกบวชศึกหกครั้งจนกระทั่งคนนี้เขาหน่ายเขาอะอเลยว่าไม่ได้มีศรัทธาเลยกับาศาสนาเลยเป็นคนใจคอโลเล่บวชครั้งที่หกอ่ะศึกครั้งที่หกนี่ก็กลับไปอยู่กับเมียแล้ววันหนึ่งก็ตื่นขึ้นมานะ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 ตอนที่ไปบวชนี่ก็ไม่มีใครอยากให้อยากบวชแล้วนะไม่มีใครอยากบวชให้นะแต่ว่าตอนหลังก็ยอมแล้วก็บวชให้สุดท้ายจิตตหัตถ์ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันตนะ์เรื่องของพระยศะเรื่องของยสกุลระบุตรกับจิตตหัตถะนี่ก็มอเนี่ยนี่ก็คือคนที่มาจากคนละขั้วคนนึงรวยไหมค น, นก็จนเหลือเกิน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 อย่างสันติอัมมาตนะเป็นอัมมาตของพระเจ้าพิมพิสารทำความดีความชอบจนกระทั่งพระเจ้าพิมพิสารยกราชยกราชสมบัติหรือบัลลังก์ให้เจ็ดวันจะมีแบบนี้เลยนะให้เป็นกษัตริย์อยู่เจ็ดวันกษัตริย์ชั่วคราวสันติอัมมาก็ได้ทีก็เลยส่งสนานเต็มที่ถือโอกาสที่จะได้เสพสุข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 จนหน้าสุดท้ายนี้ยิ่งเวลาใกล้จะหมดก็ยิ่งเล่นเล่งมือใหญ่นะไม่ยอมปล่อยโอกาสทองหลุดมือเสพเต็มที่ดูทั้งทั้งตาทั้งหูทั้งจมกูกทั้งลิ้นทั้งรินทั้งกายให้หญิงสาวมาไลา่ล้ำไม่หยุดเลยจนกระทั่งหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งสันติธรรมา ช, ชอบมากติดตาต้องใจแกไล่ล้ำจนหมดจนหัวใจวายนะ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 ก็เลยเดินไปหาพระพุทธเจ้านะที่เชตวันไม่ใช่ที่นอกเมืองเวลุวันพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเรื่องความไม่เที่ยงแลกเรื่องขันธ์ห้าที่มันมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นที่ยึดถืออะไรไม่ได้ยึดถืออะไรไม่ได้เลยแม้แั่น้อยจันจะเทมาฟังธรรมก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยเป็นพระอรหันต์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 ไอ้ส่วนช่องทางอื่นที่เป็นช่องทางที่เป็นอบายหรือความส่วนก็มีแต่ไม่เยอะเท่าสมัยนี้ทลานะคนสมัยก่อนเนี่ยพอเจอทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันก็ก็เลยนะเข้าหาธรรมได้ไม่น้อยนะแม้นะนะกระทั่งสมัยคนเมื่อสักสิบยี่สิปีสาสิปีก่อนนี่มีหลายคนทีเดียวนะที่เกิดความผิดหวังในชีวิตควรวาหรือว่า เกิดความผิดหวังในใ น, ในความสุขที่เคยมีและพวพบมันไม่ใช่คำตอบเวลาที่สับสนก็อาจจะมีก็มีบางช่วงบางแบบที่นึกถึงตอนเป็นเด็กได้ตามพ่อแม่ได้ตามตาตามยายเข้าวัดและพบกวับความสงบหรือบางคนก็ได้มีโอกาสบวชเนนบวชพระเสียเองแม้จะบวชเพียงแค่พรรษาเดียวแต่ความสงบ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 เพื่อการมาสุขอย่างยโสกุลบุตรนะหรือว่าประสบความทุกข์อย่างสันตตีอมมา ก, ก็ไม่มีทางไปก็เข้าหาเล่าเข้าหายาเสพติดได้ง่ายเหลือเกินนะอย่างแล้วก็ตามนะนั่นนะเป็นเรื่องของเด็กเรื่องของวัยรุ่นแต่สำหรับพวกเราเนี่ยนะก็ได้มีโอกาสมาเจอธรรมะแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคดีนะ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 กำหนดรู้คือเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจท่านใช้คว่าปริญญาปริญญาคือรู้รอบทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้รอบเข้าใจอย่างทั่วถึงถึงจะพ้นทุกข์ได้ถ้าเราไม่กําหนดรู้หรือไม่เกิดความเข้าใจในทุกอย่างแจ่มแจ้งนิโรธก็เกิดขึ้นไม่ได้กา ร, รเผชิญหน้า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 หลวงปู่ ก, กงมาท่านพูดดีนะท่านบอกว่าถ้าอยากจะพ้นทุกเนี่ยต้องเข้าหาทุกถ้าอยากจะพ้นทุกต้องเข้าหาทุกอันนี้ก็คล้ายๆกับภาษีของคนจีนนะที่บอกว่าถ้าอยากได้ลูกเสือต้องเข้าทาต้องเข้าทาเสือถ้าไม่กล้าเข้าทาเสือก็ไม่เจอลูกเสือนะลูกเสือเป็นสิ่งที่มีค่ามากสราชาพูดลูกเสือคือนิโรธหรือความพ้นทุก ถ้าอยากพ้นทุกก็ต้องเข้าทำเสือซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายหลวงปู่กองมาท่านยังบอกว่าเนี่ยถ้าอยากพ้นทุกต้องเข้าหาทุกถ้ากลัวทุกก็จะไม่มีทางพ้นทุกได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องนะกล้านนะที่จะเผชิญกับความทุกแล้วก็ไม่ใช่แต่รอให้ทุกมาหาเราอย่างเดียวบางทีเราต้องเข้าหาทุกด้วย น่าเหมือนกับคนที่เต็มใจเข้าถ้ำเสือเพื่อที่จะได้เอาลูกเสือมาออกมาถ้าหนื่อทุกข์แต่พึ่พื อ, อก็คงจะพ้นทุกข์ได้ยากแต่ถ้าหากว่าเรากล้าที่จะเผชิญกับความทุกข์กล้าที่จะเข้าหามันทางพ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้น อ่าแล้วก็ช้าวันนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้นะ